ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเนื้อนาบุญโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัด น, นี้ค่ะ ในเรื่องที่เขามีการตื่นตัวมีการสแสวงหาค้นคว้าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเริ่มต้นเขาปริยัติก่อนแน่นอนดีจะได้หรื อ, รอไม่ได้จะถึงหรือยังไม่ถึงมันไม่มีปัญหาขอให้เขาเริ่มต้นเขาเริ่มต้นแล้วมีเวลาเริ่มต้นที่จริงให้ได้มากได้ไม่ไม่เป็นไรนได้ไปเรื่อยๆเราเองเราถ้าเราดีจริง เขาสแสวงหาอยู่เขาก็จะต้องรู้ถ้าเราจริงนะถ้าเรายังไม่จริงเขายังไม่รับก็ไม่เป็นไรคุณจะหลงตัวหรือเปล่าถ้าคุณหลงตัวคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงเอ้เราผิดนะคนอื่นเขาถูกคุณก็ต้องดูให้ดีอยู่ในโลกอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์คุณก็ต้องดูแต่ถ้าคุณแน่ใจว่าจริง สอดคล้องทุกอย่างตามหลับการเรามีทฤษฎีในตัวโดยทฤษฎีไม่ได้ตั้งเองด้วยทฤษฎีของพระบรมศ า, ศาสดาทฤษฎีที่มีคนรองรับเยอะคนอื่นเขก็รับรองไว้กันความหมายความเหมือยไม่มีปัญหาอะไรเลยสอดคล้องลงตัวเราได้มาพิสูจน์มาปฏิบัตินอกจากปริยัติที่เรารู้ตัวความไอตัวข้อความทฤษฎีแล้วมาทําความเข้าใจในความหมายเมื่อเข้าใจความเข้าใจในความหมายแล้วเรามาปฏิบัติ ตามให้มันได้มาซึ่งความเข้าใจในความหมายในพิธีการจนกระทั่งถึงผลเมื่อทําตามทั้งวิธีการนั้นได้จนกระทั่งถึงผลเชคทั้งคําอธิบายท่านก็อธิบายไว้ว่าผลจะต้องเป็นอย่างนี้ก็มีอธิบายไว้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้ท่านก็อธิบายไว้ด้วยอัตมาก็ว่าอัตมาสอนปริยัตทั้งสองความหมาย ปริยัตในความหมายที่บอกว่าวิธีการทำอย่างนี้กับปริยัติในความหมายว่าผลมันมีความหมายอย่างนี้ก็ได้สอนปริยัติทั้งสองสภาพส่วนคุณเมื่อรู้คุณก็ต้องไปปฏิบัติตามวิธีการเมื่อปฏิบัติตามวิธีการแล้วได้ผลตามความหมายที่ท่านว่าไว้ไหมก็ได้ผลตรงกันแล้ว ตัวคุณเองอีกเพราะว่าท่านใ้วัดที่ความรู้สึกความเห็นความเป็นจิตวิญญาณของคุณอีกด้วยท่านบอกว่าจิตว่างโปรง่งเบาสบายพ้นทุกไม่ต้องลาบากลาบนกับมันจริงไหมที่นี่มันสับสนเช่นว่าคุณเองคุณมาศึกษาตามอัตมานี่คุณสับสนหน่อยแต่ทารุสีไม่ค่อยสับสนนะ่ะ พอบอกว่างเขาว่างเลยนะว่างมันเลยนะฟังให้ดีนะว่างเลยอะไรก็ไม่ต้องมีว่างเบายุดไปเลยไม่สับสนแน่นอนอันนั้นไม่สับสนไม่ไม่ทําให้งงไม่ไม่ทำให้เกิดสภาพเชิงซ้อนอย่างนั้นเข้าใจง่ายเรียกว่าหมากรุกชั้นเดียวเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณหลุดพ้นคุณว่างเบาคุณว่างเบาไปเลยว่างมันทั้งทุกอย่าง พฤติกรรมก็ไม่มีกลายเป็นแท่งเป็นท่อนเฉยอุเบกขาก็แบกขาเลยอุเบกขาก็ขาเกยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องมีกระดกกระดิกอะไรไปก็ง่ายเข้าใจง่ายทีนี้อาตมาว่าอย่างที่อาตมาพาธรรมนี่มันสับสนก็เพราะว่ามันว่างเบาง่ายแต่ไม่ว่างคุณว่างมาจากอบายมุกแล้วตัวคุณนี่มีอะไรมีเวลาใช่ไหม มีแรงงานใช่ไหมมีทุนรอนใช่ไหมมีใช่ไหมถ้าคุณโยทุนรอนคุณก็ว่างไปเลยบายแรงงานก็ว่างไปเลยเวลาก็ให้มันถ้าถ้าที่มันมีในเวลานี่คุณจะเลี่ยงพ้นไม่ได้เลยเวลาคุณจะหนีเวลาไปไม่ได้คุณจะมีชีวิตอยู่เวลามันก็ต้องมีแต่เวลาของคุณก็สูญเวลาฆ่าเวลาทำลายเวลาอย่างน้อยคุณทำลายเวลาแล้ว เพราแทนที่คุณจะทำลายเวลาคุณก็เอาเวลามาแรงงานคุณก็มีความสามารถคุณมีคุณทิ้งไปทำไมทิ้งมันไปไหนทุนรอนคุณก็มีคุณก็เอามาสร้างไม่ว่างแต่พระเจ้าท่านสอนให้เรายังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำยังกุศลให้ถึงพร้อมทำให้จริงพิจารณาให้จริงว่าเป็นกุศลคุณก็ไม่ว่างทีนี้คุณละบาปคุณละอบายมุก คุณเอาเวลาที่เหลือเอาแรงงานที่เหลือเอาทุนร้อนที่เหลือมาสร้างบุญมาทำบุญเมื่อคุณละบาปนั้นได้ว่าว่างบาปแล้วคุณมาทำบุญคุณต้องว่างบุญอีกนี่ซอนอีกเป็นจิตตะสะ จ, จิตตะประโยชน์ทปนังเป็นเรื่องว่างจากแม้ความดีความเป็นตัวกูของกู ที่จริงๆนะคุณทำบุญคุณทำดีคุณทำจริงๆเป็นของคุณจริงๆแต่คุณไม่ยึดมัน่นถือมัน่นไม่ยึดถือเป็นของเราตัวนี้แหละซ้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจะไม่ใช่ธรรมะตืนๆขินๆเราทาได้จริงไหมคุณเข้าใจไหมเข้าใจคุณทาได้บ้างไหมทาได้บ้างและแน่ใจว่ า, วาทำจะได้บริสุทธิ์ก็ทำได้สูงสุด เมื่อเราได้ลองได้พิสูจน์ปฏิบัติเมื่อพื้นฐานเราก็ได้สเต็ปที่สองขั้นสองขั้นสามขั้น4ี่เราก็ทําได้ทําไมขั้นสูงสุดเราจะทําไม่ได้ในเมื่อเรารู้ขั้นที่หนึ่งเราทําได้พอขั้นที่สองสูงขึ้นเราก็ทําได้อีกขั้นที่สามสูงขึ้นลึกซึ้งขึ้นเราก็จะมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นขั้นสุดที่สุดพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเราว่ามีถึงที่สุดใช่ไหมคุณเชื่อว่าพระพุทธเจ้าในโกหกไหม เชื่อว่าไม่โกหกเมื่อเราเชื่อว่าไม่โกหกเราก็ต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นอะไรง่ายที่สุดคุณเอามาพิสูจน์และคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ง่ายที่สุดในเรื่องง่ายในเรื่องที่เห็นชัดเจนเลยว่านี่เราเลิกละเราว่างจากสิ่งนั้นแล้วเราก็มาขยันสิ่งนี้เมื่อขยันสิ่งนี้แล้วยังยึดถือดีถือดีในสิ่งที่เราเอาเวลาเอาทุนรอนเอาอะไรคืนม า, อ ย, านนอย่างน่้นอย่างนี้มามาถือดีตอนแรกๆเราก็จะเอาไปตีคนอื่น แม้ฉันได้ดีนี่ก็ไปตีคนอื่นถือดีอย่างคนี้หรือแม่ที่สุดสอนเขาเรายังมีจิตที่ยังบอกว่าฉันมีบุญมีคุณกับเธอฉันสอนเธอนะฉันเป็นอาจารย์เธอนะฉันเป็นครูเธอนะฉันได้มีทุนรอนอยู่ในนี้นะให้วางอีกชั้นหนึ่งถึงแม้จะยังไม่สนิทสักทีเดียวในขณะที่เป็นโสดาบันมันจะมีลักษณะอย่างนี้เพราะว่าสังยชลดวงสูงในตัวมานะตัวถือดีตัว ที่จะมีอะไรใดยังอุทจจะอย่า ง, งน้อยที่สุดก็ยังกลุ่มๆเอาเถอะอาศัยไปก่อนอุทจจะนี่คือยังฟุ้งชูใจเป็นผงชูรถนะตอนนี้เรายังไม่สะอาดพอเรายังติดอยู่เราก็ต้องเหยาะผงชูรถหน่อยหน่อยไม่งั้นมันก็ไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะรับประทานเราก็ต้องมีบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร จนกว่าคุณจะชั้นสูงขึ้นมามันก็จะบางเบามันก็จะสะอาดสะอาดขึ้นสักวันหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าคุณชินเอเรื่องนี้นี่เราทำมาจนชินนี่เราสอนเข้ามาจนเบื่อแล้วเราไปภูมิใจในสิ่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะนสิ่งที่ต่ำคุณก็จะเห็นว่ามันสะอาดขึ้นมาหมดเลยสจิตตปรโยทปนังการสะอาดในเรื่องที่มันเออชั้นก่อไก่นี่เราเหมือนกับเราเองเนี่ยเราเป็นเศรษฐีเริ่มต้นเป็นเศรษฐี คุณอยากได้เพชรแล้วเกินคุณก็ไปซื้อเพชรธรรมดาแล้วเพชรง่ายๆ่ขี้หมูขี้หมาอะไรก็ภูมิใจไว้ก่อนเลยนะโอ้โหเอาไปอวดไปโอเอาไปโชว์ไปอะไรจนเข้ามั่นไส้ล้วบอกว่าไอ้ขี้อวดขี้โอะแล้วเกินไปเพชรนิดหน่อยถูกก็าขมถูกก็เอาเม็ดใหญ่เม็ดโตก็เอาน้ําสูงเอาคุณภาพสูงมาข่มไปเรื่อย แต่คุณก็มีความรู้เท่านั้นคุณก็มีภูมิเท่านั้นคุณก็มีปัญญาเท่านั้นคุณก็มีฤทธแรงเท่านั้นคุณก็ได้แค่นั้นเขาข่มเขาต้องเขาข่มไปเขาก็แทกกระทํายังไงก็ต้อทนไปหนักเข้าคุณพัฒนาตนเองขึ้นมาได้เพชรเม็ดโตขึ้นมาเติโตขึ้นมาเพชรเม็ดเล็กก็ไม่ได้ทิ้งนะของที่ได้แล้วเนี่ยคุณอย่าลืมว่าศาสนาไม่เหมือนโลกนะธรรมะที่มันได้แล้วมันก็ได้เลยเพชรเม็ดเล็กคุณก็ไม่ได้ทิ้งแต่คุณก็ได้เม็ดโตขึ้นมาอีกเม็ดโตขึ้น เ อ, อ้ไม่เป็นของเราก็ได้ว้าไม่เป็นของเราก็ได้แต่ที่จริงโดยธรรมะมันไม่ได้ถอดทิ้งนะมันก็ยังเป็นของเราอยู่นั่นแหละมันไม่เหมือนเพชรนะเพชรนึงมันเป็นวัตถุจะให้คุณหยิบยื่นปรโยชน์ให้ใครก็ได้แต่ธรรมะมันติดเนื้อติดตัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งได้ภูมิที่ได้ชั้นต่ําเนี่ยมันก็ยังเป็นของเราแต่คุณจะไม่ยึดถือมากไม่จะเอาไปแบ่งไปทับเพราะคุณได้สูงขึ้นมาคุณจะไปติดยึดอันสูงคุณจะไปแบ่งก็จะไปแบ่งอันสูงโชว์อันสูงมากกว่าอันนี้ เฮ้ยเวลาเขาจะลบหลู่ยังไงก็ไม่ว่าเพราะคุณมีดีขนาดนั้นคนได้สูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกนัยะเดียวกันคุณก็จะปล่อยอันต่ําอันต่ําอันต่ำอันต่ำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นสัจจิตตปรโยธปนังเป็นชั้นชั้นชั้นช้นชัขึ้นเรื่อยๆและคุณก็ยืนหยัดอยู่ในสภาพบาปทั้งปวงสัพพปาปะสะอักรันังบาปทั้งปวงคุณไม่ทําคุณจะทํากุศลสูปะสัมปทาทํากุศลให้ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นได้เรื่อยๆ นั่นแหละคุณก็สูงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสูงมากก็คือได้เพชรเม็ดโตขึ้นได้เพชรน้ําดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพชรน้ําที่มันไม่ดีเท่าคุณก็ปล่อยมันเรื่อย ๆ, ๆจิตคุณก็สะอาดซ้อนกันไปเรืๆๆ่อยจนกว่าคุณจะสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์คือคุณทําดีสูงสุดท่าที่คุณทําได้แล้วคุณก็สักจิตตปรโยทปนังหมดเพราะฉะนั้นของคุณโอวาทปาติโมกสามข้อนี้ครบครัน ไม่แบ่งเหมือนอาจารย์บางคนบอกเออน่ยนเป็นโลกีโลกุตระนะโลกุตระนะถ้าคนขาดกุศลุกุศลตสุปะสัมปทาถ้าคนขาดการยังกุศลในถึงพร้อมไม่ทำอะไรเลยไม่ยึดดีไม่ทำดีปล่อยวางมันตัวเดียวอัตตานะทำตามใจข้าข้าอยากทำทำข้าไม่อยากทาไม่ทำ คนที่ทํางานนี่นะทํางานดีทําสิ่งดีเนี่ยเขาไม่ได้ทําด้วยชอบพอคนที่ใจบริสุทธิ์แล้วเขาไม่ได้ทําำเลยชอบใจบริสุทธิ์แล้วเขาไม่ได้ทําำเลยชอบฉันพอใจจะทำนั่นนี่ฉันถึงทาฉันชอบฉันถึงทามันมีกระติกระจะมันมันเขี่ยวฉันถึงทาไม่มันเคี้ยวไม่อร่อยฉันไม่ทํานี่ยังมีกิเลสนะยังมีกิเลสนะ เพราะฉะนั้นคนที่บริสุทธิ์สูงสุดจริงๆแล้วพระอาหารหันต์ทำงานแล้วไม่ได้ทำด้วยชอบไม่ได้ทำด้วยชังแม้สิ่งนี้ไม่ชอบเลยแต่เหมาะควรสมควรจะต้องทำยิ่งไม่มีใครทำแต่จำเป็นจะต้องทำจึงต้องไปแบกหามต้องทำถ้าอาตมาไม่มีความรู้อย่างนี้อาตมาไม่มีตัวนี้นะเรื่องอะไรอาตมามานั่งถูกด่า เร่ออะไอมามานั่งแบกนั่งหามหนักนะไม่ใช่ไม่หนักอาตมาก็ไม่มีความรู้ทังโลกนะอาตมาก็มีความรู้พอตัวอาตมาจะมักน้อยสะดวกแบบฤษีอาตมาก็ทําได้ด้วยอาตมาทําได้ทั้งสองเชิงจะหากินแบบโลกโลกเลยอยู่ในชีวิตนี้ลาลาบลาโยหากินไปอาตมาก็ทําได้ย่อมทําได้อาตมาจะเป็นฤษีไปเลยเบาไปเลยนะตรงไปเลยว่างไปเลยป่านนี้อาตมาไปหายอดไม้ ย่องๆ อ, อยู่ตรงไหนก็ได้สบายๆหรือไปนั่งบนยอดเขาไหนๆก็สบายลมโชยก็ผ่านวันผ่านคืนไปไม่เห็นคุณจะมาเอาผิดอะไรอาตมาก็ไม่ได้คุณจะมาทําอะไรอาตมาอาตมามีมนุษยชนน ะ, ะทำได้อาตมาย่อมทําได้ทั้งสองอย่างแต่อย่างที่สนี่อาตมาเองอาตมามีพุทธคุณของพระพุทธเจ้า อาตมารู้ดีว่าอาตมาจะไปอยู่อย่างฤาษีอาตมาก็ผ่านวันผ่านคืนไปสู่ความตายแม่นี่อาตมาใช้ลีลาพระพยอมแล้วพระพยอมก็าอธิบายก็ใช่ใครฟังเทพมาแล้วสอนเด็กนะสอนเด็กนํนกนนกนนขึ้อก่อนแล้วใครเด็กตอบใช่ไหมคุณครู <c oughs> คุณครูย่อมรู้ดีสอนเด็กแล้วก็นําให้เด็กตอบให้เกิดทักษะ ม่อย่งนั้แกเรจะหลับแกจะเล่นก็ดึงแกมาเสียมันเป็นทริคเหมือนกันเป็นเทคนิคอันนึงนะให้แกดึงแกมาอ่าก็ลักษณะเด็กนี่ก็เหมือนกันแหละคุณยังเด็กมัน ก, ก็ต้องเอายี้บังไม่ง่ายจะนั่งหลับก็ต้องให้ดึงมาอ่เพราะฉะนั้นเราก็จะทําจะนั่งอย่างดูสีไปมันก็ผ่านวานภ่า น, า น, านคืนไปสู่ตายอาตมาจะหากินแบบโลกโลกก็เดินทางไปสู่ตาย อาตมาจะขนขวาททำอย่างนี้อาตมาก็เดินทางไปสู่ตายและอาตมาแน่ใจเรืว่าอาตมาทำได้ทั้งสมเชิงเพราะฉะนั้นพูดทำได้ทั้งสามเชิงย่อมเลือกเอาเชิงที่อาตมาเห็นว่าดีที่สุดและอาตมาก็เลือกเอาเชิงนี้อาตมาไม่เลือกเอาเชิงรุสีไม่เลือกเอาเชิงโลกียะอาตมาเลือกเอาเชิงที่อาตมาเรียกว่าโลกรุตระนี่แหละ หนักกว่าไหมแหมหนักกว่านะอาตมาว่าอาตมาหากินแบบโลกไม่อยากพาอ่ออาตมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าอาตมาเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากแบบโลกอาตมาเล่นไม่ยากนะยิ่งฤาษียิ่งไม่ยากใหญ่ง่ายกว่านะเมื่ออาตมามีภูมิถึงอย่างนี้อาตมาพูดได้แต่บางคนพูดไม่ได้นะโผล่โลกๆเวลายไปเอออย่างฤาษีมั่งไปนั่งเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณตายนะอึดอัดตายนะ ไม่ใช่เรื่องเล่นนะโ้ยจะไม่เอาแล้วรูปรถกินเสียงสมผัดว่างๆไม่เอาแล้วไปแบบหรือสีนะั่ไม่ได้นะคุณต้องนั่งกดขม่มจิตให้เหมือนกับสายนั่งกดขม่มอะสายนั่งหลับตากดขม่ม ต, ต้องกดข่มให้มากพอนะคุณจึงจะไปอย่างนั้นได้ทำงั้นคุณไม่ได้ไม่ได้อัตมาแน่ใจในเชิงนั่งกดขม่มแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยหยุดว่างเฉยเบาไม่่อยเอาภาระโลกเขาจะเป็นยังไงยังไงก็เฉยสบายส ง, งบแล้วนี่ ได้อาตมาพูดนี่มันมีสภาพซ้อนอยู่นะซ้อนเชิงอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณเองคุณจะบอกว่าคุณจะเอาไปว่างๆนั้นไม่ได้เพราะงั้นแค่เชิงมานั่งว่างๆนั้นยากกว่าโลกียะยากกว่าโลกิยะทีนี้นั่งเชิงว่างๆนั้นอาตมาก็แน่ใจด้วยว่าอาตมาทําได้เพราะโลกไม่ใช่โลกียะว่างๆนั้นแบบฤษีเนี่ย มาสู้กับโลกียะอีกทีหนึ่งเลยทีนี้แล้วช่วยเขาให้ว่างและเราก็ว่างนี่แหละสอนชั้นอย่างเงี้ยคุณจะต้องเข้าใจและคุณจะต้องฝึกปลือจริงๆและคุณต้องทำอาตมาว่าเห็นว่านี่ประเสริฐแล้วขั้นสุดท้ายหรือขั้นสูงขั้นปลายพระพุทธเจ้าจนมาศึกษาศึกษาตามฤาษีทั้งหลายแหละถ้าเขศึกษาหมดแบบฤาษีถ้าจะศึกษาแบบฤาษีมันก็ไม่อยาก ท่านก็รู้แล้วจนท่านมาตัดสู่ของท่านถึงไดเอาระบบนี้ขึ้นมาอัตมาติถือว่าระบบโรกุตระนี่เป็นระบบอย่างนี้ได้ว่าโลกุตระและครบครันเลิกบาปทั้งปวงเพราะเรามีสติเรามีธรรมวิจัยเรามีอภิปรรัญญาเรามีอภิธรรมเราสามารถรู้อภิธรรมวันอุกุศลาธรรมมอกุสลาธรรมมานี้เป็นธรรมะดีนี้เป็นธรมนนธรมะไม่ดีเรารู้ด้ปรรัญญาอันยิ่งเราวิเคราะห์วิจัยได้ เพราะฉะนั้นเราย่อมทำในธรรมดีอย่างจริงใจและเราก็เลือกทำอย่างจริงใจวันดี้ดีบางทีเข้าใจว่าดีแต่มันยังไม่ดีก็ได้นะสำหรับผู้ที่มีภูมิสูงกว่าเข้าใจได้แต่ผู้นี้จริงใจสะอาดสจิตตปรโยน์ปะนังจริงๆเพราะพระอรหันต์ท่านทำอะไรท่านทำจริงใจจิตท่านสะอาด แต่ท่านมันมันอาจจะยังไม่ดียังไม่สัมมาหรือยังไม่แนบเนียนเท่าพระอริยเจ้าพระอรหันเจ้าฉันสูงกว่านี้ <isty accent> ทีนี้พระอรหันเจ้าฉันสูงกว่านี้ท่านทำได้ท่านทำได้สูงกว่าพระอรหันองค์นี้พระอรหันองค์ที่ท่านสูงกว่าเนี่ยท่านย่อมรู้ฐานะของพระอรหันองค์นี้และท่านย่อมไม่ลงโทษพระอรหันองค์นี้แต่ท่านก็บอกว่าดีเธอ แต่ดีกว่านี้ยังมีอีกจะบอกว่าบริสุทธิ์ไหมพระอรหันต์องค์นี้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านจริงใจและท่านก็มีภูมิเท่านี้ท่านจริงใจเท่านี้ฟังให้ดีนะฟังซ้อนๆดีนะถ้าฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องนะเพราะฉนั้นพระอรหันต์องค์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะเข้าใจฐานะบุคคลและพระอรหันต์องค์ที่ท่านทําไม่ถูกนี้ท่านจะปราม ท่านมีเหตุผลอะไรท่านจะบอกได้ท่านจะบอกพระอาหารหันต์องค์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์นี่ท่านก็จะฟังและท่านก็จะเชื่อถ้าพระอาหารหันต์จริงท่านก็ไม่มีมานะท่านก็จะเห็นเหตุผลเออจริงอันนี้เหนือกว่าท่านก็ปรับปรุงท่านปรับปรุงไม่ได้ท่านก็ทําเท่าที่ท่านทําได้แล้วมันก็เป็นขั้นตอนเป็นฐานแต่ละฐานแต่ละฐานแต่ละฐานเพราะฉะนั้นโลกจังมีฐานที่ครบครันพระอาหารหันต์ฉันพระอาหารหันต์ฉันยอดท่านก็ทำยอดพระอรหันต์ฉันกลางทากลางพระอรหันต์ฉันปลายทําปลายไปไล ครบครันและท่านก็ทำด้วยบริสุทธิ์ใจท่านและท่านก็รู้แนวโน้มด้วยว่าท่านควรจะทําสูงขึ้นถ้าท่านเห็นว่าอันนี้ท่านไม่ควรทําแล้วท่านก็จะตั้งใจทําสิ่งที่สูงขึ้นเป็นลําดับลําดับแต่สัจจิตต์ประโยชน์ทัพปณังทุกองคน์นอกจากท่านไม่รู้เลยไม่มีใครบอกกล่าวเลยไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดท่านก็ไม่รู้ตอบก็ไม่ได้ ผู้ก็ไปเป็นแบบนี้ไม่ใช่พระอาหารหันต์นะพระอาหารหันต์ก็ต้องรู้ว่านี่ทําดีที่สุดแล้วแล้วท่านก็บอกของท่านได้เหตุผลอย่างนี้นอย่างนี้บางทีท่านทําดีแล้วท่านก็บอกไม่ได้ด้วยก็มีสําหรับพระอาหารหันต์สายไม่ใช่ปัญญานะักไม่มีปฏิสัมพิทาญาณอะไรท่านก็บอกไม่ได้แต่ท่านก็แน่ใจว่าท่านไม่มีความสกปรกเลอะเทอท่านเจตนาร้ายเจตนาเลวไม่มีในใจท่านไม่มีจริงๆจึงเรียกว่าสัจจตับประโยชน์ทพนังและท่านก็ทําดี เพราะฉะนั้นอาจารย์บางองค์ที่พูดว่าศาสนาพุทธโลกุตตระนั้นท่านทำแต่สจัจจตปประโยชน์ทัพนังอาตมาก็บอกขอบอกว่านั่นท่านแหวง่งท่านไม่ครบรวอวาตปาติโมกเพราะโอวาตปาติโมกขุจา่านั้นสอดคล้องกันหมดหนึ่งหยุดอาัคานังไม่ทําทั้งปวงท่านก็ไม่ทําแล้วสองทำให้ยิ่งท่านก็ทําให้ยิ่งอยู่สมสจัจจตปประโยชน์ทัพนังท่านก็มีอยู่ ทั้งสามไม่ใช่ไปแบ่งเป็นโลกียะเป็นโลกุตระทั้งๆที่อาจารย์ผู้ที่สอนว่าท่านมีแต่สัจจปริโยตปนงังท่านก็สอนว่าทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนมีแต่โลคุตระหมดเาแล้ว3คําำนี่พระพุทธเจ้าสอนทั้งคหรือเปล่าานแยงตัวเองะมะัก็สคนี่เป็นโอวาทปาติโมเป็นคำสอนของพระพุทธเจา้าทั้งสามสำนวนใช่สามคำเนี่ยหนึ่งละบาตทั้งปวง สองทำดีให้ยิ่งละบุญทำบุญให้ยิ่งสามให้จิตผ่องใสให้จิตสะอาดที่จริงประโยชน์ทั้ปงปังนี่คือมันจิตมันจริงใจทั้งหมดมันสะอาดอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรความไม่จริงใจผสมเลยไม่มีไม่มีความโค้งคดอะไรเลยซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจอยู่ในนี้หมดแม้จะทำอะไรอยู่ก็จริงใจอยู่อย่างนั้นนะเพราะเราจะบอกว่าเราทำจิตสะอาดของเราอันเดียวนี่คื อ, อยังเข้าใจไม่รอ แล้วก็นึกว่ า, าการทําอะไรตามความพอใจของตนเองนั่นแหละคือสจิตต์ประโยชน์ทพนังนี่แหละคือยังเหลือเชื้ออัตตายัางเหลืออัตตาอยู่นะอาตมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยถ้าใครฟังดีๆก็จะรู้ว่าอาตมากําลังพูดธรรมะนี้วิเคราะห์เทียบคู่กับธรรมะของใครอาตมาต้องวิเคราะห์และอาตมาต้องทําในขณะที่ผู้เป็นเจ้าของคําสอนนี้ยังไม่ตายอย่าเพิ่งให้อาตมาตายก่อนที่พวกเราจะไม่ได้ยอดกันเลย ถ้าจะมาตายก่อนเราไม่ได้ยอดยอดก็จะด้วนลงเพราะรอดยอดเราก็จะได้ขึ้นมาเรื่อยๆ้วก็สาลขึ้นมาเรื่อยยอดก็เหลือและก็จะขยายพวกนี้ออกไปเป็นปากกลวยออกไปเรื่อยๆแต่ก็น้อยอยู่แหละระวังความมากๆนี่ระวังเราอย่าไปเทียบคู่เคียงโลกเป็นอันขาดถ้าถึงมวลมันมากเองแล้วมันจะถึงมากเกินกว่าโลกเขาได้ ถ้ามวลไม่ถึงมากโดยสารัตถะหรือตัวเนื้อหาก็ไม่ถึงแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้เรื่องนี้ต้องระวังจริงๆอาตมาได้วิเคราะห์อะไรอะไรสิซ้อน ซ, ซ้อนซับซอนซ้อนอะไรนี่เป็นเชิงหนึ่งเพื่อให้รู้ให้เข้าใจอะไรอะไรบ้างว่าในโลกในสังคมมันเป็นอย่างนี้อาตมาก็พยายามพัฒนาให้เกิดพุทธบริษัทสี่ให้เกิดปอบพวกเรานี่จะต้องมีแม้แต่อยู่อย่าง นิโรธคามินีปฏิปทาจะอยู่อย่างชาวโลกของเขามีทั้งฐานะคารวะที่เป็นพระเป็นอริยะบุคคลมันมีทั้งปุตุชนด้วยแต่ปุตุชนผู้ที่พอสอนได้ถ้าสอนไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปตามมีบากพอสอนได้สอนเขาขึ้นมามันก็ต้องไล่มาจากปุตุชนนั่นแหละธรรมดามนุษย์จะมาเป็นพระอริยะก็ไม่ได้เป็นที่นี่เป็นพันพระอริยะนะั่นแล้วก็เป็นเด็ดก็พันมาพันม า, นมา ไ, มได้ที่ไหนแล้วมันก็มาจากมนุษย์ ธรรมดาปุถุชนนี่แหละแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็ขึ้นมาเป็นพระอริยะโสดาโสดาสกิทาอนาคาไลขึ้นมาตามลําดับอย่างนั้นแหละมันก็ต้องพัฒนากันขึ้นมาอย่างนี้คลอดเดต็ต้องพ่อท้องแม่มาแล้วก็จะมาเป็นพระอริยะทันทีเลยพิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์มาคลอดก็ตามพิสูจน์ไม่ได้นะมันมีทีท่าลีลามีบ้างนะ แต่ยิ่งพระโพธิษัทที่ไม่ใหญ่รู้ยากถ้าอยา่างพระโพิษัท์ใหญ่ๆอยา่างพระพุทธเจ้าเนี้ยพอรู้ง่ายขนาดอาตมานี่ก็ว่าไม่ค่อยรู้ง่ายหรอกแต่ว่าอาตมาไม่อยากพูดพูดแล้วมันคุยตัวอาตมาว่ารู้ง่ายพ่อแม่อาตมาก็รู้ดีว่าอาตมาเป็นคนไม่ได้เป็นคนเรวเกลอะไรหรอกเป็นคนที่อยู่ในส่วนที่ไฟดีแต่ก็ยังอยู่ในขนายของอาตมาจะไปเชิงของธรรมมากก็ยังไม่เชิงทีเดียวยังเชิงถูกโลกดึงไปเยอะมันจึงไปหาโลกกักนก่อน แต่เสร็จแล้วอาตมาถ้าไม่มีแกนข้ออาตมาเองอาตมาไม่มาหาธรรมไม่มาอาตมาถูกโลกดึงไปเลยแต่ถ้าบอกว่าอาตมามาได้ก็เพราะอาตมามีแกนของธรรมะข้อตมาไม่มีใครมาชักจูงอาตมาไม่มีใครมาดึงมารักไม่มีใครมีอิทธิพลที่จะมาดึงอาตมามาอาตมาไม่มีอาจารย์อาตมาไม่เคยเลื่อมใสใครยิ่งใหญ่ในอาจารย์ของทางศาสนาแล้วก็ไม่เคยไป เรียนรู้เอาตามวิชาการของผู้นั้นผู้นี้และโดยเฉพาะอาตมาก็ไม่ได้ความรู้ที่ตัดสรุรู้ที่เป็นความรู้ทางธรรมะเข้าหลักเข้าแกนตามอย่างอาจารย์องค์ไหนเพราะฉะนั้นอาจารย์องค์ไหนก็ตามแต่รวมแล้วไม่เป็นวิชาการเหมือนอย่างที่อาตมาเป็นเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไปเรียนกับฤๅษีองค์นั้นไปเรียนกับฤๅษีองค์นี้ไปเรียนกับฤๅษีองค์โน้นโ้ น, น, น, นท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์ฤๅษีเหล่านั้นนะทจริงอะ่ะท่านไม่ได้ได้วิชาการของอาจารย์เหล่านั้นนะ ไม่ได้วิชาการเพระอาจารย์เหล่านั้นเป็นวิชาเทียบเคียงที่ท่านจะต้องอ๋อที่จริงมันมีของท่านอยู่แล้วพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์นี่ตัดสั้นมากองแปดทุกองค์พระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมก็พบพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่รู้กี่องค์เรียนรู้กับพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่รู้กี่องค์แม้แต่ในตำนานก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในปางหนึ่งที่ท่านเป็นสุเมธาดาบท ท่านก็ตัดสรู้แล้วท่านก็พบพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ปฏิญญาณพุทธภูมิแล้วท่านก็ได้ตัดสรู้แล้วแต่ท่านจะบำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อท่านก็บำเพ็ญไปท่านก็รู้แล้วมรรคองแปดท่านก็ทําได้แล้วท่านก็สมบูรณ์แล้วแต่ท่านไม่เอาท่านจะสู้ต่ออีกเรียนรู้สิ่งอื่นอีกตัางหากโลกส่วนตนนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาครุกคือลบเปื้อนเท่านี้นะเราเปื้อนขี่โคลนเท่านี้เราล้างของเราได้แล้ว ล้างเป็นแล้วเราไปเปื้อนกี่โครัวในมากกว่า น, นี้คุจะล้างอีกแล้วก็เราก็มีวิธีการล้างก็มักองแปดแต่มันขยายพิสดารขึ้นเราก็ไปพอปางต่อมาเราก็ไปเปื้อนกี่โครัห น, นักกว่าเก่าอีกนะแล้วเราก็จะล้างเราอีก นักเข้าพระพุทธเจ้าก็หมาไปเปื้อนกี่โครนเข้ามาก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องเพื่อนกี่โครนหรือว่าไปต้องไปแเละก็เข้ามาหมดเลยก็จะเละโดยวิชาการอย่างไรในโลกเละก็เข้ามาหมดอาตมานี่มันกึง่งก็ไปหามายามากแล้วจะเห็นได้ปางอาตมาเกิดมานี่คลุกคลือไอ้มายาโลกมายาเนี่พวกนูน้นอะไรแต่ไรระเริงอารมณ์อยู่พวกน้นนะมากอ่านะมันไม่ได้อยู่เหมือนกับเป็นนักธรรมะแนะ่ยังสะอาดบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นคุณดูวินเชิงหนึ่งาเอ๊ะน่าจะเป็นนักธรรมะบริสุทธิ์สะอาดมาตั้งแต่ต้นนะนย อ, นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะกลับไปอยู่ในโลกมายาแต่โลกมายาดึงอาตมาไปไม่ได้นั่นแสดงว่าอินทรพะละของอาตมาแข็งลากจูงไม่ลงตหาลากจูงไม่ไปนะถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีบา ร, รมีร่วมกันผู้นะั้นยังไม่ได้เป็นปัจเจก ยังไม่ได้เป็นผู้ที่จะช่วยตนได้ก็จะต้องมีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีหรือมีครูมีอาจารย์ยังอยู่ในสาวกภูมิสาวกภูมิก็จะมีสาวกภูมิก็เป็นสาวกแล้วก็มีอาจารย์ดึงมาก่อนช่วยอ่าเราอาจจะเลพลอดเพลไปมีภูมิมาทํำซอ้ซอนเหมือนกันแต่พอถึงเวลาเราก็จะต้องพบอาจารย์อ่าเมื่ออย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจะต้องสแสวงหาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะพามาในสาวกภูมิก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ถ่ายทอดดึงกันมาจนกว่าจะเป็นตัวของตัวเองข้ามเขตเป็นโพธิสัตว์ขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์นี่ก็จะมีอาจารย์เป็นโพธิสัตว์นำต้นเองเหมือนกันแง้วันนี้ก็ว่ากันยาวเลยนะว่ากันที่ลึกที่ลืออาจารย์โพธิสัตว์เป็นพี่ก็จะดึงมาบ้างเหมือนกันเป็นการให้แต่ไม่แสดงตัวเป็นอาจารย์แต่จะช่วยแล้วก็ค่อยๆเป็นตัวเองเป็นปัจเจกปัจเจกปัจเจกขึ้นโพธิสัตว์ก็จะ กลายเป็นปัดเจกปัจเจกขึ้นเป็นตัวเองตัวเองตเองขึ้นจนกระทั่งข้ามขั้นปัดเจกเองแล้วทีนี้ก็เข้าไปหาสยามภูเพรา ะ, ะยิ่งจะไม่มีริ้วรอยแห่งการมีอาจารย์มากขึ้นแต่ตมานี่จะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับมีอาจารย์บ้างเหมือนกันต้องศึกษาต้องรู้จากคนนั้นคนนี้แต่มันไม่จะเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ปิดกระปลอยใครจะมาเป็นอาจารย์โดยตรงก็ไม่มีและก็ไม่มีใครมีความความ ทฤษฎีตัดสรุปที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครรวมทฤษฎีตัดสรุปที่สมบูรณ์แบบอยู่อาตมามัน่นใจอาตมามีทฤษฎีตัดสรุปมรรคองคแปดนี่สมบูรณ์แบบเมื่อรสนาอาตมาเนี่ยอาตมาก็เป็นได้ขนาดที่อาตมาเป็นนะเมื่อรสนาพวกนี้มันลึกซึ้งที่อาตมาอธิบายเหล่านี้เป็นเรื่องของมหายานเป็นเรื่องของการสู่พุทธภูมิสู่โพธิสัตว์ภูมิส่วนเทรวานั้นเขาไม่สอนข้ามขั้นนี้ เขาไม่พระพุทธเจ้าท่านสอนมหายานสอนไว้เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนภูมิอรหัตภูมิ12ปีเลย12ปีขึ้นไปแล้วท่านสอนมหายานตลอดไปหมดจนกรอทั้งมหายานใหญ่ไปจนกรทั่งสิ้นประช น, นทีนี้อาตมาก็คิดว่าอาตมาทํานี่อาตมาไม่ได้นอกครูเท่าไหร่ก็12ปีแล้วอ่ะอาตมาก็ขอขยายมหายานบ้างแต่ท่าน ท, ที่อาตมาไม่ได้อ่านตํำรามหาญาณสักเท่าไรหร่หรอก แต่ตัมามีมหายานในตัวหมายความว่ามีความกว้างขวางบัญญาตใหญ่ยานกว้างส่วนตนอาตมาก็พูดมามากแล้วถ้าอาตมาไม่ขยายพวกนี้พวกคุณก็ซ้ำซากซ้ำแซะอยู่นี่แล้วอาตมาก็ต้องมีความรู้ลอ่อนําุ่งคุณไปแต่ตัมมาก็เน้นพวกคุณดูตัวเองนะคุณอย่าทำเกินภูมิอย่าท ำ, ทำเกินฐานนะฐานะเราเองแม้แต่แค่อาบายัยงมุ่งก็ยังไม่ได้แล้วแม้ความรู้นะํามหายานตรงเต็งเลย แล้วคงก็จะกลายเป็นมหายานตรงเตงตรงแฉะอยู่อย่างนั้นแน่ใช้ไม่ได้เหมือนฐานของเราเป็นอะรหัตภูมิฐานของพวกนี้เอาสักก่อนแต่ก็มีการศึกษาที่พอเป็นน้ําเลี้ยงฉะลอชูใจขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นไปทําตามฐา น, นศึกษาไม่มีไม่มีเวลาไม่ไม่มีทางจบง่ายๆหรอกอความรู้มันมีมันก็อธิบายกันได้มันก็สอนกันได้เรื่อยๆไปนะ อาวันนี้ได้แนะนำได้ขยายความอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นให้มากก็ขอชี้ลงไปที่สภาวะเป็นจริงนะตามที่เขาบอกว่านี้สภาพที่เป็นจริงของพฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบันนะอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาได้ได้พาธรรมมีสภาพที่เป็นจริงของพฤติกรรมที่อาตมาก็ได้ยืนยันกับพวกคุณเสมอว่าอาตมาภาคภูมิใจนะที่อาตมามี พฤติกรรมคาไมนีปฏิปทาหรือจะเรียกว่าจริยะมันก็แปลว่าความประพฤติปฏิปทาก็แปลว่าความประพฤติความประพฤติอย่างชาวโลกแต่เป็นชาวโลกที่มีทุกนิโรธเรียกว่าทุกนิโรธทคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นชาวโลกที่มีทุกนิโรธแล้วจึงมีจริยธรรมจึงมีความประพฤติที่เรายกคําว่าจริยธรรมนี่เป็นความประพฤติที่มี มีคุณธรรมถ้าไม่มีจริยธรรมก็ไม่มีศีลธรรมหรือไม่มีคุณธรรมนั่นเองแต่ถ้ามีคุณธรรมเรียกว่าเป็นคนมีจริยธรรมใช่ไหมศัพท์นี้เรามาใช้ทางด้านดีคําว่าจริยธรรมจริงมันแปลว่าความประพฤติธรรมดาแต่เรามาหมายเมือกับคำว่าธรรมะนี่เรามาหมายถึงคําด้านดีถ้าจะหมายความว่าไม่ดีเราก็เอาอัธรรมเข้าไปเหมือนกันเพราะฉมจริยธรรมเราก็มาหมายในด้านดี เพราวกคุณมีจริยธรรมมีมากบ้างน้อยบ้างตามขัน้นตามตอนมานี่มีพฤติกรรมยืนยันอยู่ในสภาพที่เป็นจริงคุณสามารถเป็นได้แค่นี้แต่ใจของคุณยังขมอยู่บางอย่างคุณก็ขมรักษาล้างละชําระออกไปอีกคุณก็ทําอยู่ส่วนอะไรคุณมั่นคงแน่นอนมั่นใจมันเป็นแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นอัตโนมัติสิ่งนั้นก็ ก็สบายสบายแล้วนี่สบมอปกติแล้เอาศีลมาวัดเอาหลักการของพระพุทธเจา้ามาวัดเป๊ะเลยแล้วเราต้องฝืนไหมไม่มีสติก็ยังทำอยู่อย่างนี้แม้แต่ไม่มีสติก็ไปควบคุมเลยมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นนี่แอ่าแม้คุณไม่มีสตินะเขาเอาเหล้ามาให้กินคุณก็ไม่ไม่ไมได้ตั้งสติเลยนะเขาเอาเหล้ามากลอกพอแต่เราป่ปเฮ้ มันก็บ้วนทิ้งเท่านั้นนะคุจะไปกินนะไม่มีสติประดาาา selection. เดีสัมผัสเขาอ้าวมันมีาธาตุรู้ของเรามีธรรมอวิจัยมีสติสัพพัญญะแม้ม shower, มแ clear, แเราไม่ระมัดระวังตัวไม่ต้องคอยระวังใครน่ะแกวเราหนะหย่านะหย่านะหย่านะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอะ่ะคุณไม่ต้องระวังเลยก็เอามาเมื่อไหร่พอแตะแตพั๊บสัมผัสสัมผัสปั๊บคุณจะสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางจมกูกสัมผัสทางกายสัมผัสทางไหนพอสัมผัสคุณมียานแล้วคุณรู้ตัวแล้ว สติคุณจะมาเมื่อมีเมื่อเมื่อมีญาณเมื่มอโพธชงของคุณสมบูรณ์สติธรรมวิจัยวิริยะเป็นปิติเป็นปัจสติเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาอุเบกขาถือว่าสมบูรณ์เมื่อคุณสมบูรณ์เป็นพุทธะนั้นแล้วเป็นจริงแล้วนะเจบทที่มันมีอยู่หมดเลยแม้คุณไม่ต้องตั้งสติปับ๊บสัมผัสปับ๊บมันก็จะเป็นสติแล้วก็จะเป็นธรรมวิจัย พอสะปัดปั๊บแล้วคุณจะตื่นสติแล้วทำวิจัยแล้ววิริยะคุณจะตามมาเลยตกเพีินลุ้เฮ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้ข้าศึกมาข้าศึกมานะเขาจับลอกกรอกปากไว้อะไรคุณก็จะต้องวิจัยทันทีเลยวิจัยแล้วคุณก็บอกเอออย่างงี้ก็ทําไงจะเอาไม่เอาดูหน้าก่อนที่ใครกรอกปากเพราะั้นเราจะตัดสินสำ ม, มาจึงไม่ใช่ตัวตายเด้งเด้งนะ สัมมาจึงไม่ใช่ตัวตายเด้งๆยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป๊ะเลยอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ไปในี่ใครมีปฏิภาณก็ฟังเอาก็จะพอรู้แม้แต่อาตมายกตัวอย่างมานจะตั้งถึงขนาดนีนะเพราะในตัวอาตมาเองนี่อาตมาทำและพาพวกคุณทําจนคุณแข็งแรงและคุณก็สามารถที่จะเป็นมวลของคนโลกุตระสามารถที่จะมีสภาพที่เป็นจริงเป็นพฤติกรรมจริยธรรม จะริยธาธรรมอย่างนี้สมควรหรื birth? อไม่อาตมาว่าสมควรแล้วที่เราจะกลับมาเป็นคนประหยัดมาเป็นคนไทยอาตมาถึงได้ยามใช้จำนวนโวหารอาตมาจะเอาคนไทยมาใส่เมืองไทยอาตมาจะเอาคนไทยมาใส่กรุงเทพอาตมายืนยันว่าคนไทยเป็นอย่างนี้คนไทยเป็นอย่างนี้แม้แต่รูปหยาบแม้แต่การแต่งเมื่อแต่งตัวแม้แต่การอยู่การกินแม้แต่การนอนการอะไรแม้แต่การใช้การสอย แม้ต่การมีอะไรได้หลายอยา่างอาตมาจะเอาอย่างงี้มากลับมาเขาว่าเป็นคนไทยแต่อาตมาว่ามันเป็นคนไทยแล้วมันกลายเป็นเทศไปสะหมดแล้วหรือไม่ก็เป็นคนไทยประเภทประดิษฐ์ประดอยถ้าไทยประดิษฐ์ประดอยอาตมาก็เข้าใจอาตมาเรียนศิลปะมาอาตมาไม่สงสัยเรื่องคนไทยประดิษฐ์ประดอยอาตมาไม่สงสัยถ้าจะให้อาตมาประดิษฐ์ก็ได้แต่ว่า ประดิษฐ์นี้มันได้คนหย่อมน้อยมันได้คนรวยมันได้คนมีเวลามันคนได้เปรียบอยู่ทําได้ส่วนน้อยมันไม่เป็นมวลเพราะฉะนั้นเราเอาง่ายเอาพื้นฐานเอาไม่ต้องประดิษฐ์เป็นคนไทยพื้นฐานเป็นคนไทยสบายง่ายๆนี่ทุกคนจะมาเป็นอย่างนี้ได้แต่ทุกคนจะไปเป็นอย่างประดิษฐ์นั้นไม่ได้ไม่ง่ายเพราะาอย่างประดิษฐ์อย่าเพิ่งทําให้สมบูรณ์รวมกันพอเพียงแล้ว ค่อยประดิษฐ์เพราะฉพระพุทธเจ้าเราท่านจึงโน้มเอ็นมาในทิศทางที่ท่านนุ่งผ้าบังสุกุลใครจะบอกว่าท่านถุเรศนุ่งผ้าเปลือกศพน้ำเลือดน้ำหนองเอามานุ่งห่มหน้าเกลียดอยู่กับของเน่าของเหม็นมาแล้วท่านก็ไม่ว่าท่านจะกินข้าวอยู่ในผ้าชนะอันเดียวทั้งทั้ติปท่านเป็นเจ้า ตามประวัติตำนานมาชั้นมือแรกโอ้โหมันจะอาเจียนมันจะอะไรใครอ่านในประวัติแม่มันจะกลืนไม่ลงหนอ้อแล้วรึกถึงเมื่อก่อนนี้เราอยู่ที่บนในวังนะแะเสวยกับกิจย า, ารทิพย์ต่างๆนานาบริบูรณ์ไปด้วยรูปรสกินเสียงสัมผัสโออาอักขาฐานนี่โอ้โหอาหารยังกับอาหารอะไรจะกินไม่ลงก็ตามท่านมาอยู่อย่างนี้ ท่านมาดึงโน้มถ่วงคนมาอยู่อย่างนี้ท่านทํามาเองแท้ๆแล้วคุณยิ่งใหญ่กว่าวุฒิเจ้าตรงไหนสักสูงกว่าวุฒิเจ้าตรงไหนลดลงมาเท่านี้เองก็มาอยู่ในแนวโน้มถ่วงเหมือนกันยังไม่จัดเท่าทันด้วยนุ่งห่มผ้าเปื้อนน้าเลือดน้ําหนองก็เปล่าอะ่ะปล่า แค่มันเก่าๆหน่อยแค่นี้เดินออกไปหน่อยก็เหนียมแล้วอายแล้วอายของดีนี่เห็นไหมความรู้มันยังไม่สมดุลอายของดีของดีมันไม่ควรอายสิ่งเหล่านี้เป็นแนวโน้มถ่วงเป็นองค์ประกอบของสังคมที่เราจะต้องรู้ว่าต้องทําอย่างนี้ถ่วงเขาไว้ถ่วงเขาไม้มีมวลเพียงพอเลยทีนี้เราถึงค่อย พัฒนาปฏิรูปเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกอะไรอย่างนี้ถ้าคนมีความรู้ก็ทําได้อย่างอาตมาบอกแล้วถ้าจะให้สวยอาตมาก็สวยได้อาตมาก็นักสวยคนหนึ่งเหมือนกันจะไปยากอะไรมาโสมก่อนเถอะน ะ, นะขนาดสมโสมนี่มันก็ไม่ถึงกัขนาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วด้วยบอกแล้วนะแม้จะมากินมาอยู่จะมาหลับมันนอนนี่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นด้วยซ้าไปมาสังคมจึงต้องถูกดึงแบบนี้แหละ เมื่อไหรก็ตามปางไหนก็ตามเพราะคุณช่วยได้ขนาดไหนก็ช่วยกันออัตมาว่าอัตมาได้พยายามช่วยแล้วทุกวันนี้นะอัตมามันกลายเป็นว่าโอ้โหเนี่ยอัตมาก็นุ่งผ้าใหม่เรื่อยไปนะตอนเนี้ยนี่พอฝไฟอัตมาก็ว่าจะนุ่งให้มันนานหน่อยเหมือนกันนะมันขาดขาดเกิดเกิดนี่สะบงอัตมาก็ขาดปะชุนมั่งแล้วอ่าก็ออาก็ปัก็ชุนให้มันใช้ของเก่ามาคือตันนี้มันก็เป็นเศรษฐีนะเพราะเราพอ แค่นี้เราก็พอมันก็เป็นเศรษฐีนุ่งผ้าปะปะชุนก็นุ่งได้แต่ทีนี้มันก็มีคนอยากจะให้อยู่นั่นแหละมันเป็นเศรษฐีในเศรษฐีโดยไม่ต้องมีของตัวเองอะคนอื่นเขาก็อยากให้เพราะเราทําดีเนี่ยเป็นการมั่นใจในการจะพึ่งคุณความดีของตัวเองเราไม่ต้องสะสมเราพึ่งความดีของเราเองทุนรองเขาอาตมาคือบุญบุญเราทํางานด้วยบุญเราไม่ทำธุรกรรมด้วยทุนทุกวันนี้เราทํางานทุกอย่างนี่เรากองทัพ ทำของเราเนี่กองทัพนี้มันเคลื่อนย้ายไปด้วยทุนหรือด้วยบุญเคลื่อนย้ายไปได้ด้วยบุญกองทัพทำไม่ต้องเคลื่อนย้ายด้วยทุนกองทัพทำเคลื่อนย้ายด้วยบุญบุญมาจากพวกเราเนี่ยมีเนื้อนาบุญค่อยๆ อ, อะไรแต่ไรขึ้นมาเองพัฒ น, นาขึ้นมาเองเพราะคุณรู้ว่าเออคุณควรจะต้องอุดหนุนเทียบเคียงกับโลกโลกเขาจะต้องบอกคุณคุณต้องเสียภาษีนะคุณเป็นคนในโลก เสียภาษีเสียภาษีแล้วเงินเสียภาษีมาส่วนกลางส่วนกลางอันใดที่มันทําไม่ได้ต้องใช้ส่วนกลางทําทําเพื่อให้พวกคุณฟรีเขาถึงจะทําได้เป็นเครื่องสาธารณูรโภคบ้างอะไรแต่บ้างเรื่องถนนทนทางนี่เป็นส่วนกลางต้องอาศัยมากนะกองทุนเพื่อจะไปบอกว่าเรงบังคับบอกคุณจะต้องเสียภาษีมาให้แต่คุณก็ต้องให้เหมือนให้ภาษีแหละคุณก็ต้องทําบุญแต่ไม่รี่นาทาเล่นคุณแล้วคุณมีมากให้มากคุณกล้าเสียสลับมากคุณเห็นบุญมากเอ้ไอนี่ อันนี้มันบกพร่องมันขาดมันขาดขัดข้องเลวนะนี่ท่านต้องต้องทำมันนี้นะเราก็สอดส่องก็เห็นช่วยให้ท่านออกปากท่านไม่ออกหรอกโดยจะออกปากก็จําเป็นที่สุดท่านที่จะออกปากแม้ท่านออกปากก็เสียแล้วเพราะฉะนั้นเราแทนที่จะให้ท่านเสียเราอย่าเพิ่งให้ท่านเสียเราต้องรีบฉลาดดูอย่าเพิ่งให้ท่านออกปากอุดหนุนท่านไว้ส่วนนี้ส่วนนี้เมื่อเรามั่นใจว่าท่านเองท่านไม่ได้ทํา เสหาอะไรคุณต้องมั่นใจของคุณเองจริงแล้วพูดที่จริงก็ต้องจริงจริงเพ ร, ราเป็นคนดีจริงถ้าไม่เนี่มาเอาไว้ไปแบ่งกินแบ่งใช้หรือว่าไปที่ได้เปลืองเปล่ามีแต่เอามาเป็นทุนเนี่ยเรียกโดยภาษาโล ก, กว่าทุนนี่แหละเอาทุนนี้มาสร้างบุญส ร, สร้างสิ่งดีงามออกไปสู่โลกสู่ผู้อื่นเป็นพระหูชนะหิตายะโดยตรงอย่างที่เราเป็นเนี่ยบาว่างคนก็เข้าใจนี่คุณก็มาอุดหนุนไว้ อูดหนุนเป็นบุญเอาไว้อาตมาได้พิสูจน์ขณะนี้เนี่ยอาตมาว่ายังบอกคุณอยู่แล้วอาตมาจะพูดเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องบอกจะได้ไม่ต้องพูดว่านี่เข้าใจให้ได้นะมีอะไรได้เหลือบ้างไหมทำบุญบา้างหือเปล่าต้องทำนะจะได้ไม่ต้องบอกทีหลังไอ้บอกนี่เสียไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหม เพราะระบบนี้จะเป็นระบบของจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณเกิดปัญญาคุณมีปฏิภาณคุณรู้เองเลยว่าคุณจะต้องสนับสนุนเราไปเพราะในฐานะของคุณคุณอย่างนั้นถ้าคุณเลิก อ, อย่างนั้นแล้วใครก็ไม่ไปอ่าจากคุณเครจะเก็บภาษีจากพระมังละ่ะแต่พระทุกวันนี้น่าเก็บภาษีนะจริงไหมฮะใช่ไหมพระทุกวันนี้น่าเก็บภาษีนะไม่จะได้ไม่น้อยเลยไม่อภิสิทธิ์จังเลยนี่อะไรกันนอะ อที่จริงพระทุกวันนี้นักเก็บภาษีแม้จะเก็บภาษีพระอาตมาก็ไม่กลัวก็จะมาจะกลัวทำไมเราก็คีดได้เลยรายรับรายได้เท่าไหร่ที่จะไปประเมินภาษีศูนย์เราจะหักภาษีจากศูย์ได้ตรงไหนอ่ะส้าเรอาตมาศูนย์แน่ไปหาได้เลยมีอยู่ที่ไหนในระบบอะไรคุณจะเอาปอปอป อ, อีกสี่สิบปอมาตรวจอาตมาก็ไม่กลัวมาเลย ปปอ ป, อ, ปออีกสีปอมาเลยมาตรวจว่าอาตมาไ ป, ไปซุกไปซ่อนไปแฝงไปเบียดบังเอาใส่ชื่อคนนั้นคนนี้ไว้ไปทาโนนทานนี้ไว้อย่างไงที่เป็นของอาตมาเชิญเลยอาตมาไม่มีสมบัติส่วนตัวที่จะเสียภาษีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นออกมาเลยกฎหมายใครพระเสียภาษีอาตมาไม่กลัวเพราะอาตมามีความจริงไม่กลัวแต่ทุกวันนี้เขาไม่กล้าอาตมาอยากจะให้ใครยุมืองกันนะ ออ ก, กฎหมายในสสไปบอกสสคนไหนบ้างไงเก็บภาษีพระทุกวันเนี่ยเพราะว่า พ, พระนี่เอาเปรียบเอารัฐอภิสิทธิ์ชนแม้รายได้บานเบิกเลยแล้วนี่กินอยู่ฟุ่มเฟือยเพราะว่าไม่รู้จักระมัดระวังแล้วก็หารายได้ไม่เสียภาษีคนอื่นก็หาแทบตายแล้วนั่งกินฟรีด้วยแบ่เบอร์แบมือด้วยแล้วก็บอกว่าบุญบุญบุญบุญแล้ตัวเองก็เอาไปเสพเนี่ยประเภทนี้มันซับซ้อนนะ มีเคาะออกมาแล้วคุณจะเห็นซับซ้อนแต่คนที่มีความจริงแล้วไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรจะออกภาษีเก็บเก็บภาษีพระก็ไม่สะดุ้งสะเทือนจะอะไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือนจริงๆไม่แปลกอะ่ะเห็นที่อาตมาวิเคราะห์สู่ฟังเพราะในเรื่องที่ซ้อนอยู่แม้โลกเทตมาว่าในระบบเหมือนเสียภาษีเหมือนเก็บเงินมาสําหรับกองการสำหรรมอาตมาทํางานอยู่ทางด้านกองบุญก็เหมือนกันคุณต้องมีใจเป็นบุญคุณต้องรู้ว่าเอะเราควรทําบุญ เราควรทําั่นต้องสอดส่องต้องมองเหมือน ก, นกันกับประชาชนในโลกนี้ในสังคมโลกประชาชนธรรมดาของประเทศก็มองว่าเอรัฐบาลนี่นะขาดทุนละรัฐบาลไม่พอละเราควรจะอุดหนุนรัฐบาลทีนี้ในรัฐบาลโดยตรงเขาให้รัฐบาลโดยตรงเขาก็ให้ได้เช่นว่าเอานี่เขาไปบริจาคอันนี้ให้แกกลมนี้กองนี้บริจาคให้แกอันนี้อันนี้ นั่นก็เป็นระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่งก็เอาโดยเสด็จพระราชกุศลก็พระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวก็ย่อมรู้ว่าควรจะไปแชร์ให้กองไหนกองกรมไหนอะไรอะไรอะไรออกไปอีกก็แล้วแต่พระพระพราชอัธยาใัยถ้าก็ว่าไปมันก็สอดซ้อนอย่างนี้เป็นระบบสังคมเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญาเนี่ยไม่มาเอารัดเอาเปรียบสังคมเราหาได้แม้ตอนนี้เราจะมีหกหมืนเก้าพันล้านแล้ว โ้วเราจะมีสองหมืเก้าสามพันล้านอะไรก็ตามใจทีนั้นเราก็กักทุนมันอยู่อย่างงั้นน่ะมันก็หนักหน่วงสิก็โลกนี้มีอยู่เท่าไหร่ถ้าสมบัติก็อยู่ในเมืองไทยอันนี้เป็นค่าอยู่ที่ในเมืองไทยถ้าคนหนึ่งดึงดูดเอาทุนรอนทั้งหมดเอาไปไว้ในคงครังของตัวเองซะเท่านี้แล้วไอคนอื่นมันก็เหลือน้อยมันก็แบ่งกันน้อยแล้วให้ทำยังไง เอาตัวเองไม่เอาตัวเงินไว้หรอกตวัวเองไปจดบัญชีไว้ตัวเองก็เล่นดอกทีทีนีไ้ไปเอาตัวจดบัญชีไว้ก็เล่นดอกก็ยิ่งหนักอีกเลยตอนนี้ยจะว่าไปแล้วโอ้โหเอาละอาตมาเมื่อยแล้ววิเคราะห์แค่นี้ก็เมื่อยแล้วหยดไม่ต่อหันกลับมาสู่พฤติกรรมของเราว่าเราจะสร้างสังคมเราจะมีสิ่งเหล่านี้ให้เกิดตัวบุญและอาตมาจะมีพุทธบริษัทสมีคารวาทํางาน แล้วก็มีรายได้เมื่อคุณยังมีรายได้มีอาชีพทั้งโลกคุณก็เอาอันนี้มาทำบุญแล้วมันก็จะมีหน่วยเนี่ยมู ล, ลนิธิมีกรรมการกองกลางทำงานเหมือนกับข้าราชการของประเทศและจะไม่คอร์รัปชันกันและจะทำงานอย่างสะอาดบริสุทธิ์ทำงานอยู่เป็นกองกลางดูสาธารณูประพโลกดูการเป็นไปในกลุ่มชนช่วยกันจนกว่าข้าราชจนกว่าผู้ที่เป็นกรรมการนั้น จะสูงขึ้นมาจนกระทั่งกลายมาเป็นระดับนี้ก็เป็นไปผู้นั้นก็จะทดแทนขึ้นมาตั้แต่คุณมีทางสร้างฐานะทางทางประชาชนมาจนกระทั่งมาเป็นกรรมการได้อีกเสริมหนุนก็มกีเป็นฐานะไเรเลียงขึ้นไปอีกก็จะทดแทนกันหนุนขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เป็นระบบลักษณะเหมือนกันเลยพูดแล้วก็เหมือนกันเลยแต่ไม่เหมือนกันตรงไหนตรงมีสมบัติผู้ดี ไม่ต้องไปรีดนาะทาเลนเอาภาษีเท่านี้แล้วคุณก็จำนนเอาแหมใจฉันไม่อยากให้เลี่ยงภาษีด้วยมันก็เป็นภาวะปฏิภาคต่อโต้แยงกันอยู่ตลอดเวลาหาทางเลี่ยงหาทางโกงแต่ท่านี้ไม่เลยให้เองให้เองให้เองให้เองให้เองมันจึงสอดซ้อนเรื่อยมาแล้วนี่แหละคุณสมบัติผู้ดีเพราะมีการให้มีการเอื้อเฟื้อมีความรู้ว่าเราเก่งเราดีเราสามารถเราสร้างกุศลสิเราทําบุญสิ เราทำดีสิใครก็รู้ในโลกว่าเสียสละคือบุญเอาเปรียบคือบาปเราเกิดมาเพื่อเป็นคนบาปทำไมเราเกิดมาเป็นคนบุญสิสรุปจบมันก็เท่านี้เองคุณทำยังไม่ได้ถึงที่ดังหากคุณก็ไล่ฐานะขึ้นมาจนคุณเป็นฐานะสุดแล้วคุณก็จะพูดได้จริงอย่างอาตมาและทำได้จริงอย่างอาตมาทำพาทำและเป็นไปแบบถ่ายทอดกันเรื่อยไป พยัญชีวิตคืออะไรชีวิตคือการมาทํางานมหาคืออะไรมหาคือผู้ที่มีพระผูชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกัมปังอนุกัมปายะเป็นคนมีจิตมีอํานาจแข็งแรงแล้วมีฌานเป็นสุขมีวิมุติเป็นพลังทํางานมหานี่มีวิมุติเป็นพลังทํางานมีฌานเป็นเครื่องอาศัยฌานนี่เป็นตัวที่จะทําสุขวิหารอาศัยทํางานไปนกับฌาน และมีอำนาจเหนือตนอย่างเด็ดขาดและจะใช้อำนาจจิตนี้เหนือสังคมหรือเหนือคนอื่นเพื่อทํางานให้คนอื่นมาเป็นอย่างนี้ได้แต่ไม่ได้มาทําให้คนมาเป็นอย่างนี้แล้วสังคมขาดทุนให้มาเป็นอย่างนี้แล้วสังคมได้กําไรพอมาจะเป็นไปหาข้อหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อพาคผูชนอย่างนี้ก็คิดว่าได้สรุปมาจนกระทั่งถึงหลัง จนเป็นมหาแล้วเพราะอาตมาจึงเป็นมหาไม่มีปรเรียนอาตมาจึงเป็นมหาที่ไม่มีปรเรียนแต่อาตมาว่าอาตมาแม่ไม่ได้มีปรเรียนตามที่เขาสอบมีปริญญาบัตรมีใบรับรองอาตมาก็ถือว่าอาตมาเป็นมหาที่เอาสเปคของพระพุทธเจ้ามาวัด เอสเปกของวิาจาว่าต้องมีคุณนั้นทำอย่างนี้นะต้องมีความหมายอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ตรงจริงไหมตรงมากตรงน้อยเราก็จะรู้ก็คิดว่าได้เยินเยออมาพอสมควรแล้วเพราะว่าเราขึ้นตนมันเยินเย่อไปเยอะก็เ ล, เลยเวลาไปอีกมากทีเดียวเอาละก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอจบการแสดงธรรมเพียงแคน่นี้